โอว่าธรรมเจ้าขุนนรรัตคนเราเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสันเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม นับภาษาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งความนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาตีเตียนปุกตุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจตอนที่เราจะทําอะไรเราคิดแล้วว่า ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจรึงทําเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทํากรรมเราไม่สร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทําไมไม่เห็นมีประโยชน์เฟืองความคิดเปล่าเปล่า